กวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมุตะนะโมตตะตะกวตตอะระหะโตสัมมาสัมุะนะโมตตะะวตโตอะระหะโตสัมมาสัมุตะ ดังกระนังเกจามิดำมังสระนังเกจามิทั้งขังกระนังเกจามิวันนี้เป็นโอกาสอันดีครั้งหนึ่งที่ได้มาพบกันหลังจากได้มาครั้งเขาแล้วได้พบญาติโยมเป็นอันมากรวงเป็นผู้มีตัตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายินดีในการ กุศลต่างๆการติณภาวนาแล้วก็ได้ตั้งแต่พบกันเขาแล้วเขาล่วงเวลาไปหลายวัน mm. ก็ยัง mm. ส่วนใหญ่ก็ยังได้กลับมาพบกันอกีกแสดงว่า ม, มีเป็นผู้มีบุญนั้นําควรที่ได้รอด พยันตรายต่างๆหรือมันเต็มไปทั่วโลกพ้นจากเจ็บไข้พ้นจากตายมาได้เจอกันอีกนะับว่าเป็นบุญวัฒนาดังเ็กลกาวมาแล้วเราเป็นคนที่จะเป็นผู้มีบุญละเพียงเพงเป็นคนนี่พลพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าการที่ จะได้มาเกิดเป็นคนนี่นันเป็นการได้ยากหรือเกินเหมือนกับว่าอย่างที่เคยเก่ามาแล้วเหมือนกับเต่าตาบมดเต่าทะเลตาหมดมันอยู่กนทะเลร้ลยปีมันโผล่ขึ้นมาโหนหนึ่งวายไปข้างหน้าที่นี่มันมีตาขา่าตกั้นขวาทงทะเลงูมีชม โบอยู่ช่วงเดียวเท่ากับตัวเต่าเต่านั้นเมื่อมันลอยตัวขึ้นมาแล้วมันก็ว่ายไปขา้างหน้าเพราะหัวถูกตังเข็งตังแง่ตอนนั้นจมไปอยู่คนทะเลอีกอยู่ร้อยปีจึงได้โผล่ขึ้นมาอีกทําอยู่อย่างนั้นล่ล ะ, ละมันดูจากกี่แสนกี่ล้านครั้งจึงจะเป็น ความบังเอิญถึงเป็นของสำคัญมากความบังเอิญีนเกี่ยวกับชีวิตมันจะบังเอิญดีบังเอิญล้ายมันขึ้นอยู่ตรงนี diary, ้แหละบังเอิญไหนมันโลคช่วาดออกไปได้มันก็นัปว่ยากมากแต่โอกาสที่จะตัดปัสสัตย์ต่าง ที่เวียนไหวยตยเกิดขึนอยู่ในในพบสารการมาพบลูปพบปพบลูกพบลูกมากมายจะได้มีโอกาสมาเกิดเป็นคนนั้นท่านแสดงว่ามันยากมากกว่านั้นมากโดยนั้นก็ให้เข้าใจตามคำสอนของครูเจ้าว่าคนคืออะไรคนคือพ้นบบุญ มาจากว่าคนมาจากลรียงมาจากข้างเราเป็นสิทธิ์ประตาคติพุทธบริษัทเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราตั้งคำถามมาเราคือใครคนอะไรอย่างนี้จะได้คำตอบที่แน่นอนถูกต้องที่เราไดทรบาบมาจากพระพุทธองค์คนคือผลบุญ เมื่อรู้ว่าตัวเราคืออะไรแล้วมันเรื่ไมไ ม, ไมไีเรื่องโนสงสัยมม่มาเพรตั้งอยู่ในควา ม, ม, มาาไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นตีสรุปเป็นคุณธรรมที่พระพุทธองค์แสดงไว้แล้วสรุปกันง่ายๆเรืองสงประการ หนึ่งไม่ประมาทในสัจธรรมความจริงในประพุทธประธรรมประสงค์พระนิพพานมีรูปถึงพุทธคุณธรรมคุณทั้งคุณสัตจคุณนิพพานคุณมีความเข้ารอเปลื่มใสศตึกาึกษาหาความรู้ ปฏิบัติกามทเทอนนกเกลียวพอหลอดโดแล้วพร้อมกันนั่นว่าไม่ประมาทในตัวเองว่านี่มันอะไรกันแน่ไม่ต้องไปทำให้ยุ่งยากเชื่อพระพุทธเจ้าว่าเลยเราคือผลระบุเราจะได้ไม่ประมาทชีวิตเวลาที่ลง ลไปลงไปพอที่จะทบุญตักตงบุญเพิ่มเติมก็ตักตวงบุญเพิ่มเติมเท่าไไม่เราทอยู่เดียวนีะโดนแก่นแท้แล้วบุญลแบบหรือพบุญพแบบมันอยู่ที่จิตนันอยู่ที่คิด มนุสเสตามนุมยาจิตเป็นใหญ่เป็นเป็นฐานตรงนั้นจะมีตติปัญญาอยู่บ้างเรื่องการทำบุญนี่มันก็รทำได้ทุกขณะเพราะมันอยู่ที่จิตเป็นตัวสาคัญจะพูดอย่งางยริงๆภาวนามันเป็นเรื่องของจิตรุนร่น ราะว่าคนทางพ้นโลกนั้นผู้ทรงแสดงลวมไว้ติ่สติตัวเดียวสติก็ทําติจิตตีไปทำติไหนล่ะเห็นแต่ก็เห็นได้ยินแตก็ได้รู้แต่ก็รู้นั้นทำติกิตเพราะฉะนั้นการจักโนบุญนี่เรานึกถึงสิ่งที่เป็นกุศล นึกถึงไตรสรน า, าคมนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณธรรมคุณนึกถึงพุทธโต ธ, โธโรมพุทโกในใจนี่นันก็เป็นบุญอย่างยอดเยี่ยมแล้วการทำจิตในบริสุทธิ์คือเจริญตติอริยมรรคทำที่จิตเป็นตัวใหญ่นันก็ทำได้ที่ความระลึก ทำนึกคิดทำทติเตติยังคงทำได้แม้ว่าร่างกายจะขยับขยันไม่ได้จิตมันยังทำงานได้ยังคงจะก่อนนี้ในราวร้อยปีถอยหลังไปนี่เขารู้พูดกันผู้ช้ได้ทั้งประเทศเพราะว่าเมื่อในราวร้อยปีถอยหลังไปนี่ผู้ชายไทยต้งงบททั้งนั้น ตึงเกิดได้ชื่อว่าเป็นพุ้ผูผายสมบูรณ์เขารู้จักพุโทโธธรมทตั้งโคแต่พออย่งเวลาเขาอันตรายจนจะตายเขาก็รู้จั ก, จก ท, ท่องพุทโธตโมทตั้งโคนึกถึงพุทธคุณทั้งคุณตึงเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นไปแล้ว องค์การตักตวงบุญเพิ่มเติมหนวกจากกถาทานถินแล้วการทําจิตใจบริสุทธิธ์นี่ก็อยู่ที่ติการทําสตินี่เป็นยอดบุญทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ตักตวงบุญได้ตรงนี้เป็นประการสําคัญที่การทำจิตใจบริสุทธิธ์นี่เป็นพุทธตัตนา บูชาพุทธตัตนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในวันมาคบบูชาสัพพปาปตากระนังปิตุนการไม่ทำบาปทั้งหลายทำบุญใน้ถึงพร้อมทันจิตถบริสุทธิ์ทันจิตถบริสุทธิ์นี้มีเฉพาะในพุทธตัตนาทนั้นให้บริสุทธิ์จากอวิชชาตหาอุปาทานตวงองค์พระพุทธตัตนาก็คือสัจธรรม นาวารูปุธรธรรมมกสีผลสีนีพพานหนึ่งตั้งแต่โซดามรกขึ้นไปจถึงอารหัตมรกอรหัตผลเป็นแปดรวมกับตัจธรรมพื้นทานพริ น, นพลันหนึ่งเป็นเกเป็นองค์พุทธศาสนา มักสี่ผลสี่โดยดันปฏิบัติแล้วโยงลงที่สติเท่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้แสดงไว้ว่าโยรียมลงที่สติว่าสติเห็นแตกแ่เห็นอย่างล ง, งตัวออกมาจะทำเพราะฉะนั้นงงงองค์พุทธศาสนาจึงโยลงโดิเตียงสองกรรมสติมีผ่าน เรื่นี้ก็พอมจำได้ง่ายไปเลยลวรวมตัวปันไทยปีดุพุแล้ ว, ล ว, ลวเห็นความสำคัญของจิตเป็นตัวกลางจิตถึงสติเห็นจสติเห็นนิพพานถ้าจิตไม่ถึงพุทธสติเราเป็น จิตแบบหลงแบบหลงแบบที่ท่านสวดในงานศพทุกแห่งว่ า, าวิชาปัญญาทั้งการามันก็เป็นจิตรูต่างอานาจอวิชาเป็นจิตแบบหลกจิตปุถุชนจิตหลงไม่ใช่เพียงมนุษย์นันแหละตั้งแต่ยวดพรมโลกลงไปจนเกิดคนในโล ก, โลกยังไม่ถึงพุทธธรรมยังมีความเห็นผิดว่าเป็นตนของตนในขันหะ กายใจชีวิตทั้งการเราไปไหนไม่รอดเวียนไหวใจเกิดเป็นทุกข์เป็นอย่างเกิดทุกข์อยู่ทุกข์ตายทุกข์เกิดทุกข์ไปทุกข์ตายทุก์ซ้ำซากกันไม่รูจักกันคงไกลโกรธันต์ปนี้เป็นทุกข์อย่างจริงเมื่อเราแบบอย่างนี้แล้วก็พอเห็นเรื่องของจิตเรื่องของธรร เป็นจำกันความจำกันของติตถึงมีเจตาะในพุทธตาตาณาตาณาอริยมรรคงว่าเราจะโตบุญเพิ่มเพิ่มบุญนอกจากทานถึงแล้วทําจิตในบริสุทธิ์เจรตตินี้ก็ทําที่ใจของเราองค์เงินงวาจะทํางานทําการ หรือแม้จตโปวเก็งแมกควจะตายติดกจรเรีนตติได้หรือว่าตติในพระพประจามพระสงค์รู้จัก่องพุทโธธโมโทัททโคโขละกิตใจมีหลักที่พึงได้คุณนะว่าเป็นผู้มีบุญอยู่มากกีดีเราคนที่จะรู้จักดังว่าในมันก็ในสมนไมนี่ก็มีน้อยมาก เราตัวขึ้นต้นํำการศรัทธาสติปัญญาที่มากับตัวตั้งแต่เกิดอุปนิสัยวาฒนาที่จะทำให้รู้จักดีรู้จักชั่วือสติปัญญารู้จกักอุตตคุณธรรมคุณทังคุณนิพพานคุณสัจธรคุณในมันไม่ต้องอธิบายเพียงดูของจริง ถ้าใจิใจคนมันมีสตานในพระพุธะทธธรรมพระสงฆ์อย่างที่เรามีอย่างนี้ถึงเป็นอยนู่ถึงเรามีกันอยู่ในนัง่งโกนาพุทโธธรมโธธโจใจโกตะบายมีปีติคงเกิดนี่เป็นมหาคุณโตแล้วจิตที่อยู่ในโานาพุทโธธรรมตธรรโจอยู่ในพุทธานุสติธรรมานุสติ ท, ทั้งกายนุสติแล้วถึงพุทธ ค, คุณธรรมคุณทั้งคุนนั้นใน่มีใครจะคิดไป ทำบาปในลกตนนันจะไปคิดทำผิดที่หน้าอะไรมันก็ไม่มีแล้วมันมีตนเผลอเผลอสติมันก็เผลอนิดเดียวที่เป็นหมุ่งไปในโลกเลยว่าเ ง, งี้ยเอาใจสติแล้วก็เสียถ่าทีดิดเีงี้เมือ่อสติปัญญาที่รูจาจักดีชั่วบุญบาปจักของเปนมิคุณค่า ถ้าจะทำพระพุะทธธรรมประตูมันไม่มีแต่แล้วเรงพุทธเจดจ์แล้วมันก็ําบักมากผูกกันโกงๆมันก็ไม่พ้นอบายไม่ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ตั้งใจให้อยู่ในหัวใจพุจทธเัตนาวามไม่ทําบาปทั้งหลการไม่ทําบุญ การดำบูในถึงความฉันติตี่บริสุทธิภาวนาตติมีพุทธานุตติธรรมานุตติทั้งกายนุติทองปตโธตะโมงะโพนึกถึงพุทธคุณธรรมคุลจิตใจสบายมีใสมีปีติสุขเป็นมหาภูชนท่นนี้เขาเรียว่าเป็นบุญอย่างดีแล้วมีอย่างหนึ่งเจริญพยายามเจริญองค์พุทธศาสนาให้เกิดขึ้นให้ได้ เมื่อคผลตี่นน้ดปานหนึ่งด้ว ย, อยาการเจริญสติล ง, งมาผลยอ่อลงมาแล้วในการปฏิบัติจะเป็นสติเท่าจเจริญสติยังไงเราก็ดูในสติปัจฉานมีเลื่อนทวนเด็ทำจิตให้เป็นปัจจุบันมองดูลมรว่ามองดูลมหายใจสติในลมหายใจทุกคน ดลงไม่ใจในกในอกในโกมันมีแลลงแรขึ้นอยู่เรื่อยๆดูลงเล่นลงแร่ขึ้นเฉยๆไม่ต้องไปคิดเลยหมดลเห็นล่ลูกลลูมันเดินไปทางไหนมันเดินลงไปกับลูกมันเดินลงไปมันเดินขึ้นมาลูมันเดินขึ้นมาเป็นปัจจุบันลูกปัจจุบันเห็นมันสั่นนิดเดียวเห็นเดี๋ยวนี้ลูเดี๋ยวนี้อยี่เดี๋ยวนี้มันส่านมากไม่ถึงวินาทีแล้ว เนืิญญาณลู่ทางตางหูจมูกหิือใจใจกระทบกระทบกลูกเิญญาณวิญญ า, าทางตางหูจมูกหรือใจใจมันกระทบมันก็เกิดขึ้นดับปั๊บเหมือนกับโฟนน้าหยุดน้าฝนถึงเดเฝนแตกกระจายแตกกระจายไปยงั้นมันจะเป็นธรรมดามันไม่เป็นตัวเป็นตัวอะไรไมรได้ เดมันก็ตันมากเหเกินมันมีเรื่องแล้วมากม่ยเห็นดับไปแล้วยินดับแล้วรู้ดับไปแล้วเลยนมันจะจะมัไปยึดไปถือมันก็มันมีเรื่องอ่ะนี่รู้มือจิตจินจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจนี้ิตจิจิตจิตจิตจิตจตจิตันตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจิตจะมีเริตจิตจิตจ มมีมล่ากับมไม่มีสติตอนนั้นอะ่อะแล้วไดูลมหายใจลุไม่ใ จ, ลงลงใใจเต็นลมหายใจไปเรื่อยๆเอ ง, เองมันอยู่ปัจจุบนันปัจจุบันเห็นปัจจุบนันรู้เดินไปเดินไปในไปคิดทั้งตัวเรื่องอะไรทั้งหมดเห็นปัจจุบันดับไปประเด็นดับไปเรื่อยๆวิญญาณตรงรู้มี อ, อาการรู้ทั้งการ ไ่เอไปไปถือเลยูลงูลงจิติปัจจุบันอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่ใช่ตัวจติแท้ๆตัวจิิแทอดูที่เห็นแต่กเห็นรู้แต่แกรู้ตว่าจะมาเจองนนี้มั้นมันเฉงง่าย พระพุเจ้องค์สมเด็จตัมาสระพุทธเจ้าพระมาเจ้ายังไม่พูดถึงพระพุทธเจ้าองค์นี่จะต้องเจริญบารมีสิบครบสมบูรณ์แล้วจึงจะมาถึงตั้งมาอริยมหากเปรตั้งมาตัณฑวิญญาณจิตแต่จะรู้อริยสัจสี่มิขานได้มันไม่ใช่คงง่าย พมเี็จทันมาทั้งพระพุทธเจ้าประโคตรมาทีเจ้าของเรานี่ย <c oughs> ทางที่ตายไปอยู่แล้วเรื่อมตนทางบา ร, รมีในสมัยพระพุทธเจ้าที่ปังคโคนโยนตร น, นั้นยัเป็นฤาษีสุเมตระพอเื้นดูนในปามได้ มีลูกติดลูกน้ามากมายวันหนึ่งโหผ่านป่าเห็คนลุกเกียมเข้าของเป็นพื้นดินเรลงไปถามดูว่าเขาจะทำอะไรบอกเกียมแล้วลงก็ที่ปางคนพุฏิเจ้าของทั้งสามบุตรฝีนั่นก็เกิดนึกอยากจะทำบุญขึ้นมงบ้าง <c oughs> แต่เป็นลูตีแท้ทๆไม่มีสมบัติเลย นึกแล้วเอาร่างกายนี่ไปทำการเลยเอลพอเงินเดืดเอพอพระพุทธเจ้าที่ปางกรเปนเด็นมาตังเกตดูไหนเป็นที่เปลือกตรงก็ไปนอนคว่ำแล้วก็อาลักคณ า, ะะาที่ปางกรพุทธเจ้าต้องทั้งตาบุกเองเดินเดียมหลังแครเป็นตะพานไปที่สำคัญตอนนั้น ถึงเป็นเหตุการณ์ถึงอาจจะเกี่ยวของมาถึงตัวเราทุกคนดูด้วยปฏิรันธ์คอนผู้ทธเจ้านีนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่25่สโดยแล้วไปคงไในนับไม่รู้กี่โกดโก ด, ด้านปีหลวอานและแนาให้เรียบดังทีต่ำกันตั้งความปัญนา อย่อางอธิษฐานาจะเป็นบารมีก็ เ, เรียกว่าอาธิษฐานบารมีติดตํากันคืตั้งใจอธิษฐานาตั้งใจจริงๆไม่ใช่ตั้งใจเล่นๆเหมือนสัญญาอย่างจริงจั ง, จงไม่ใช่ทาเล่นๆจะเชื่ออานาจบุญทุกชนิดอธิษฐาน่ด้ ว, ดวยอานาจทานที่ทำนี้ ในที่ถูกขอให้ได้ดสำเร็จเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างผูเจ้าโอ๋มิเทินนี่เรียกว่าอาธิษฐานใหญ่โตมโหฬารมากเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารจริงๆมันจะตผ่ันทุกโ์นรนลำบากมากหมายเยอะเกินเพราะการสร้างบา ร, รมีติอย่างที่เราลูกไปอยู่แล้วถงก็บผู้ที่สัตว์ตรงเรา พินดีเอาชีวิตเขาแหลกในการตั้งบารมี1ิพระติปางค์ธรรมะตับพุทธเจ้าจ้าเป็นพุทธเจ้าทึงนก็มีความรู้พิเสษสกันับพุทธเจ้าที่เรยวอภิญญายจะมีมากกว่าห0ติปแต่พรกธรรมะับพุทธเจ้าส่งนบางอย่างพระอระหันต์พระปัจเจกพุทธะก็ไม่มี รูปใจิตใจของฤทีนะั้นรู้ว่าพัฒนาใหญ่โตเหลือเกินแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแต่รู้้วยปัญญาว่าในที่สุดกายเต็นกายความพัฒนาของฤทีนี่จะได้ผลจึงได้รับในมูลก็จะเห็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าทานหลายไม่รับนิโมโนท่านพระพุทธองค์ปฏิปังธ์คพุทธเจา้าธรรมะธรรพุทธเจ้าคมเะื่มุเดอนเงียบหลังเดิีไปแล้วเดีเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในชานธรรมทีินิมิตนั่งธรรมที่เพ่งจิตนึกู้คอมพิวเตอร์นั่นแหละ เเห็นในมิติประการพร้อมกับรู้ความหมายคือบารมีสิบมีฐานเป็นต้นตัดยะอธิษฐานขันติวิริยะเป็นต้นเมตตาบารมีเวกาปัญญาจะต้องทำให้ครบถ้วนตังจากนั้นก็เริ่มทางบารมีสิบเพื่อตัการุธทรร บารามีก็คือเอาบุญนั่นเองมาทำให้เป็นบารามีเพราะเรื่องบุญๆแบบๆกลางๆนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนนาฬิกาควดมันเดินอยู่เป็นธรรมดาอาการของจิตยังพาเตือนตัวในงานศกทุกงานกุตตลาธรร ม, มากุตตลาธรร ม, มาปิกตาธรร ม, มาท่าฟังเป็น ฟังรู้จากความเห็นทำรู้ทำแล้ยนี่เป็นปัญญาพุทธปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเห็นทำรู้ทำหมดแล้วนี่หมดโลกตากกวนนี่มันเกิดกุตตลาธรรมมากุตตลาธรรมมาเบกดาธรรมมาอะไรนาน่ะติดคนเหตัดาทัคค้งหลายปุถุ ช, ชนมรรคเดี๋ยวก็คิดเป็นมุนเดี๋ยวก็คิดเป็นแบบวันหนึ่ง น, น, น, น้ำหนึ่ทวดมันเป็นธรรมดา แต่ฟังพระถวดกุตลาธรรมมาคุตลาธรรมมาปิการธรร ม, มากขาบอกว่ากงธรรมมาไม่ได้ว่าธรรมมีเลยเป็นธรรมด้วยธรรมทีม่ไม่กันในทางโลกเปรียบเทียบกันที่เรียกเรียกันทองฟ้าอากาศอะไรก็ตามทัตถุเม่เขาจัดเป็นไฟฟ้ า, าระนาดแห่งเป็นคลื่นไฟฟ้าโบกคุฟ้ากลางไฟโลกมันวิ่งอยู่มดท่วจากกวาง เรเทียบกันก็เห็นธรรมมดทั่วจักรวาลกุฏลาธรรมมากุฏลาธรรมมาปิการตาธรรมทั้งหทัลมออยู่ก็ตัวแหละโดยจากนั้นติดทัตว์ันสตวที่ทกันวิชาปัทั้งกาลาทั้งกาลปัจวิญญาณังอนี้กัวสคัญที่เดียวอะไรอะไรเปเป็นภาษาธรรมดา อะไรอะไรที่เลียกเป็นโลกเป็นวกเป็นจิงเป็นจังบุนโลกเหมือนเป็นตัวโลกอาวิชามันโกหกคนมาทั้งหมดแต่เราฟังเป็นภาษาไทยมันเข้าใจนี้มันกันไงจะไปติดลูกบาลีก็ยุงกันแล้วกันเนี่ยเป็นงเงี้นี่เหลืองของสติเราก็คือเจริญทพมพุ่มโลก เกิดขได้เป็นอะไรเยอะมากเป็นวิชาเมื่อวิจเต่ึงตั้งวิจารเกิดขึ้นเหมนแตงตัวันเกิดขึ้นความมืดก็ดับไปอวิชาดับแต่ก็สวดไว้อีกเมื่อไงงานตกเหลือตัดติโลมอวิชารเทตานิโาตั้งการนิโรธุตั้งการนิโรวิญญาณงยิงาว่า เลยเป็นธรรมดาก็วิชาดับทั้งั้นการลอบรงทั้งหลายทีอวิชาธรรมมันก็ดับวิญญาณความนึกความรู้ที่เป็นโงูทําให้คิดเป็นเรื่องงู<อ><อ>หรือว่านา้ำมันลูกงูน้ำลูกงูทําให้เกิดวิญญาณงูวิญญาณงูทำให้เกิดน้ำมันงูเป็นอุปาทานการ มันก็ดับไปหมดทุกที่เกิดจากโงกวินวยนว่ายไปเกิดก็ดับไปหมดนีอริธรรมทัานฝอยไปหมดแล้วนี่นี่เราพิจจรณาสติภวนาตรงนี้ตรงสตินี่แหลสะสติสัมปชัญญะสติปัญฐา เห็นแต่เปเห็นนู้นถึงก็นู้นได้ยินแต่ียติ่ยังลมสู่ออกมาแต่ทำแล้วก็ดูล้มหายใจไปที่เดี่วนี้หละดูล้มมันเล่นล้ไปดูล้มมันเล่นลงไปูล้มมันเล่นขึ้นมาลูมเล่นขึ้นมาจิตเป็นปัจจุบันมันจะเรียหลงน้อยๆเลย เห็นเห็นเห็นรูปลมอไเป็นไงท่องไปไงนะไอจิตต่างอยู่ในปัจจุบันเราเราจึงเจริญตตริยมาในด้านปฏิบัติไเกิดขึ้นเห็นเห็นลมเห็นแต่ไปเห็นลูปลมรูปแต่ไปรูท่องไปเงี้นกำหนดไปเงั้น อยา่ฝึกทำสติไม่ใช่รู้สติคิดสติพูดสติทำเห็นสต็เห็นทำได้ได้ยินสติไดยินทำได้รู้สกิรู้ทาได้จะไปรู้รเห็นรู้จริยสติไปความนันด้วนี่หลองฝึกสติดูเนื่งต้องทำไม่ใช่รูดูการติ เป็นอาริยมากคุณธรรมเพิ่มโลกไม่มีทางอื่นรูมรวมเห็นรวมรวมเจริญสติไปพร้อมอย่างนั้นฝึกไปโดยทำความเพียพพพพเพ่ยนภาวนาก็วิจารว่าคพ้นทุกข์เพาควาเปียนไม่เลือกสติเจนันนนละไม่เลือกสติก็เป็นเจ็บเรียบร้อยนั่นก็อยากเป็นธรรมดาเป็นอริยมรรค ควาอยากความพูจะเจ้าความจะมาถึงตตีนี้ตรงสั่งบาลมีอังจิมิตก็เหน่งตั้งสามเตือนชาดในชาดุตาอย่างตรงออกจากพุโลกหลัจากสมบัติครอบครัไปอยู่ฝ่าภวนาตั้งฝ่ถึงภวนาในทางกลาว่าไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีสมบัดิอะไรยินแต่พนน้ำไม้ป่ามีปีนแดนในทาการเสือถึงสารพั เอาชีวิตกําแหลกเพื่อท่านจรทมนีวิธีที่ท่านจะมาตูมติอริยมรรจม น, น่ะเปิดตำราอานาุเอาชีวิตกัแหลกเพื่อท่านจะทำในแก่ถึท้ายยังตรงไปความเพลียนพ่ามหลาดงมางอดเข้าบา่างกันลมไว้ก่หม่ปีเต็มถึงได้จเจริญ อ, อริยมรร ที่จะมาแปดนาทิมาประทาณให้เกิดขึ้นได้ถึงนโยลงในด้านภาวนาในด้านสติในด้านปฏิบัติเป็นสติตัวเดียวเห็นตักงแเห็นรู้ถึงทะัุแค่นี้แหละคอยจะมาถึงตัวนีน้ต้องใช้เวลาต่างบา ร, รมีถึงสามเตืนชาดคือดูม ผ, ผ่านพระพุทธเจ้ายี่สห้าพระองค์ยี่สี่พระองค์ไม่รู้จากโถกแล้งปีมันก็ยากเป็นธรรมดา ในเลโกะมันยังตติเดยโกงมันอยากแล้วกะเดินตติไปทีละคันดูลมเห็นลมดูลมเห็นตะเกยกินดูตะกะลูกมาไปงั้นเป็นวิญญาณตติเห็นตะเกะเห็นรูกตะเกะลู้นั่นไม่ใช่วิญญาณธรรมดาเป็นวิญญาณตติ รูพคนรูรูพ <compilation> ุนหลกรูพ <eso> ุนหลงความติดทำพุนลงเป็นโลกุตระทั้งหมดพูดคือพ้นหลกแต่เป็นโลกมันจะพุดอรอโลกอวิชชาปเจ้าทั้งขล้าก็บอกไว้แล้วนี่พระพิธรรมตรบอกไว้หมดแล้วเห็นตึกเห็นรูแต่กรูเป็นวิญญาณติแล้วะเป็นรูพุนรูรูพุนหลกรูพุนหลงความติดทำพุนลงมันก็จะมายใจที่พุนหลงพุนทุกพุนหลก ลูกเป็นยางไแล้วก็ทงคาว่าบินยันติติญญันติในใจไปเฉยๆรวดเร็วติดตัวกันไปเรื่อยไม่ไปถามไปต่อไปอธิบายเลหมดไม่ไปอยางไปยึดเล้หมดเอาแต่ทงไปท่เดียววิญติวินติตินันิินยันตี้มัพ้นไปพร้อม นี่บริกรรมใจหลักบริกรรมเป็นประการเดียวเท่านัะนี่ฝึกหัดตติเป็นที่หัดที่นี่เมื่อท่งวิญญาณตติวิญญาณตติไปเรื่อยจำใบเป็นคมเลอะึกอาจจะเป็นวันนี้ผู้นี้หลายวันกันแล้วแต่บุญบารมีจะให้ผลนั่นวิญญาณตติิญญาณตติเปลี่ยนเป็นจิตตติเปลี่ยนไปเอง จิตติจิตพโนกจิตติทำพโลกชื่อจิตติมันก็เพราะฟังเข้าใจแบบมันไม่มีหลงเลยรสักอย่างที่จิตตื่นแล้วตื่นแล้วก็เป็นพุทโธพุทโธเป็นว um, yeah, ันตื <S S ่นเบิกบานเป็นพุทโธเกิดเกิดสมุทั้งโกก็มาด้วยกันไม่มีแยกนักโง่นางรู้กันอยู่แล้วมันก็ไม่ผู้อยาก พุโมโอตะโกามาดูกันนดีวแล้วมีพานังประมาณสุขัเพราะจิตเตะจิตพุโธจิตธรมโตจิตตะโกจิตมีพานังประมาณสุขังอกว่าเป็นแนวนี้ลวดเร็วเลยเหมือนมันเป็นทัดแต่งเรยวรอยอยู่บนสังขังอเกิดๆดับๆขังขันหลบแต่ทงถูกต้องแล้วเมื่อกล่องสติ จิตต <c oughs> <c oughs> mm ิจิตปุถุกจิตธรรมุจิตังกจิตมิพานประมกณตุคังไปวทอมตุคองเราไม่รู้จิตมันโน้มไปทนธมเบื้องตูพุนุบบริทุทธ์ขึนก็เกิดปิติทุกข์นเป็นธรรมดาเป็นอารมณ์นาหรือว่าอารมณ์สมาธิมิตรุจาริปิติทุกข์วิตตุวิจารมด้มายความว่าไปคิด ดูลงไม่ใจลุมลงไม่ไมอยู่ด้วยมีเหลววิตกวิจารเมื่อดูไปจเจริญส ต, ติครอบเกิดปิติทุกเหลววิตกวิจารปิติทุกเป็นอารมณ์ภาวนาเป็นมหากุณด้วยเป็นยอดบุญนารภาวนาจเจริญส ต, ติภานาเกิดปิติทุกเรนเรีวมหากุณ ย, ยอดบุญเกิดขึ้นแล้วกรไม่ใจกาออก มีปิติตกในกายมีปิติไม่ใจสบายภวนาได้ดีมันไม่มันไม่ไปเอาดีทางอื่นแล้วอกอันนี้เป็นยอดของกุศนมหากุศลกิพนาปิติตกยินดีอยู่อันนี้แล้วไม่ไคิดไปเอาดีทางอื่นแล้ว เมื่อกรคุณหายโงไว้เต็มหงส์นั่งมองทอง่ไงนึกจะออกจะหงส์ไปหาฟังหายยาโนบะในไปเอาดึกอันดีดีทั้งนี้ดีทั้งนั้นดีทั้งนี้ในโลุดบรรลแม้แต่ลูกสวรรค์หลุดพงสั้งขันสวรรค์ทั้งขันพงโคตรแก่แก่ไม่ไปปรารถนาแล้วละสังขันตรง ปัจจุนั้นละทั้งการทั้งหมดก็เกิดดำบตันหะภูฏะยินดีเรืองารมณ์ภนาตติปีติตุให้ภูมิเกิดเกิดตุกลมจเขาองเป็นมาตุต้นโยบุญมันไม่ไปหาโยบุญที่อื่นเลยทำจิตเตบพยายามความเพียรทำจิตที่คยทุกเป็นโยอดญคุณงามความดีเป็นโยบุญ ยิงกระทากยิง ก, งกระนมีเฉพาะในพุทธศาสนาเทนั้นละเป็นอริยธรรมกุศลทุกโลมหายใจก็เปิดอริยธรรมธรรมทีท่เสกอันนี้ก็มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่า น, นั้นเการมาติดตัวไปไดและร้อยชาติึงมันไม่เหมือนกับโลกสมบัติมันจะปรากไม่ได้ นี้ฝึกหัดสติภาวนามันก็เหมือนกับปึกหัดเพลงมุขถ้าปึกหัดวันเล่นน้อยๆมันก็ไม่วงไวป้องกันติดป้องกันตัวไม่ได้แต่ฝึกหัดวันล่มากๆมันจึงจะว่องไวเขา้าใช้เวลาท่านเขาป้องกันติดได้ไม่อย่างเรากำหนดเห็นตั้งเ ดิฉันจะีไหลมาจนเป็นจิตตีไหลมาจนเป็นจิตพุทโธธรรมทั้งกลงนี่มาทาบ่อยๆอาจจะํารลงเองจิตติจิตพุทโธมตั้งกลงจนานไปัจะไปเลยยกขึ้นหันหน้านไปกท่านันไปอีกห้ตามคำสอนของที่เจ้าโดยตรงเลยจิตยังลงทู่อมตะธรรมเห็นแต่จะเห็นนิพพานโยลงไปอีกทีหนึ่ง เหลือพ่อส่งกรรมสตินิพพานอีกอย่างที่เก่าแล้วสตินิพพานเป็นองค์พุทธสถนานะนับว่าเราควรจะทำฝึ ก, กคนเตยโยกเป็นสติหลือสงกรรมสตินิพพานเป็นองค์พุทานะนี่อีกอย่างหนึ่งเมื่อปลีสติโทนนั้นได้บุญ มาุตกไม่ใช่ก็หมมักหมีอยากทับมากม้องคนขัดนานๆไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่วัดเวลาเจริญโพนาเมืออย่างเราทำอยู่เดี๋ยวนี้แหละเวลาเจริญโพนาตึ่นมาใช่เดี๋ยวนี้นะพอสามารอุทิศตนบุญวิจัยใจใบุญ กุสลที่เราทำนี้ไห้แก่จับประจกษ์ทไรู้ทีเดียวยนต์โวมๆหมดจั่นงกักรจายเยอก็โถึงคนละโลกกายคไกายไม่คิดทั้งหลาลดค่คิดทั้งหายนี่อุปาทานในขันหักเกิดดำดบมากว่าขื่นเกิดดำับในมหาธมุทุโลกมากมากมายแน่นหนา อุทิศตนผู้ทนไปเยอเมตตาภาวนาตัวดวใจไปเป็นอุ้ตังหเมตตาภาวนาจิตใจกวงขวางเทียวว่าจะอุทิศตนบุญโานาถึงทอนภวนโด้วนาปปปติตุ อุทิศให้เป็นายามิตรหายมากมายหลายๆคนก็ได้วิจัยอุทิศให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ตองการไม่ใช่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือวงละไปนานเลยก็ตามก็ได้เจ้ดูจะเด็ดดางกุ้ต้นก็ได้จะอุทิศตัวุ้นดยตรงให้พึาังเด็ดไปแจกหู่รบลงละทีนี้นี่ยละดจวงก็ได้ จุดที่จงบรรดาติฏฐิทั้งหลายในโลกรูปธรรมเดียวกันเดวันจตนมอาทิการดัดึงดูดติดปฏยามเทวทิลติวณแล้วีต่กิเลสจันทร์เทวณแล้วตก็เกี่ยันมังมทอย่างมังมีในบุญอธิยตัจที่พอย่างนี้ไม่ลืมบุญคิดิดกุศลในบิดามารดาทุกครั้งโลกกายใจชีวิตขันหาเดยบมันนั่ง ให้ทาทบุญเจริญผลตามคนทุกมาแากโคเม่ที่เป็นบุญคุณเป็นมาหาศาลเพอุทิศบุญบุญไปให้โคมแมนหลังมันเหลือโพวนาทุกวันทำรวด้วยอริยทรัพย์แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกกตัญญูะู้ที่เจ้าทรงกลาว่าผู้มีความกตัญญูเป็นผู้เจริญ เราปเรินทุกวันทุกวันได้ภาวนาทุกวันทุกวันหลับรวยบุญทุกวันทุกวันหลับรวยอริยัพทุกวันแกกแก่ที่โปรบุญไม่พอแม้ทุกวันทุกวันไปเจริญทุกวันทุกวันคนที่รู้จักทำอย่างนี้ท่านไดอยากทุกวันเนี่ยตัวทำการธาตุตาสติปัญญารู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักรู้จักคุณธรรมกลทั้งคุณดียังไงมันไม่เคยดีแล้ว แตตารวมใจยิงในพระพุทธเจากรประสงค์การแต่ํามันหายยากไปเรื่อยตัวขึ้นตัวลงทั้งกันมันจะเอาเป็นบูนบุญนันเป็นไปไม่ได้มันมีกบามทาเดียวมีแต่อาวัยรู้แต่หลบเทวโลกสุขติมัน อยากมากที่เราทำกันได้บ้างถึงเรื่ถึงน้อยแล้วก็ตามก็พร้อม่มีตัวตนสำคัญสรัทธาสติปัญญาเนื่องจากดีไม่ดีเนื่องจากคุณจากมาเนื่องจา ก, จา ก, จากาพาระพุทธธรรมพระรงวิปานมาเป็นของดียังไงจิงใจ้เรื่องใดเป็นสำคัญ เราต้องพุทโธแต่โมจัยโขลยเกิดตุกตามากิดกตกนี้ที่เราภานากันอยู่ได้นี่เพราะมีความตั้งาโขํา้าในพระพุทธพรรมะในแต่จะทำทนิพพานเป็นหลักสาคัญที่ตุดที่มันเป็นอย่างไรก็พออาตจะเหตุเราบกนี่ว่ารายการบามีมมากคนเล็กคนน้อยหรืออาจจะ คบตัวนก็ได้มันมีสากมันมี16บหเมือนชาติแต่มันมีหมากนี้มันเป็นเด็กรบบรบูลมันติ่งที่จะโน้มันในการทระทายในประพฤติการกระตุ้นมีความบังเอิญเหตุการณ์ต่างๆนำในวัดีร่าใจในสุดนำถูกการศึกษาในประพฤติการระตุ้นี้การ ในความตุกมเรืตัวเองเป็นตุกมเกิดคนอื่นนั S 2> <S 2> ่นเกิดขึ้นได้เดียวกันเราเป็นปูเหนือน้ำกันแล้วกันตุ่มแล้กันจะบ้านบ้านแล้กันแล้วกันไปอันนี้มีมิดปูเหนือน้ำที่ขั้วตะเกียงปูตุมปูชนะเก่า มันใจกับปีนยามันกับเพ่งคอมพิวเตอร์เห็นตะใหญ่มีบัวเหมือนน้งขึ้นเต็มแต่จึงได้รับนิมมตพระพมให้แสดงธรรมอันนี้เป็นเรื่องสำกันแต่เดียวนี้มันสงปฏนาโนหากเก็บมาแล้วไม่ต้อง พูดถึงตรงหลังถอยหลังไปร้วยปีเพียงหาสิปีใครเกิดในแถ ว, วนั้นมึงจะเห็นได้ว่ามันเพียงหาสิบปีนี่ในเมืองไทยนี่โดยเฉพาะผูกคนเปลี่ยนไปมักโดยเฉพาะเรื่องด้านใจิตใจวัฒนธรรมคุณธรรมความรู้การปฏิบัติในพุทธตาสนามันเปลี่ยนไปมัก มวามเดิมคืสามารตั้งคิตในมีความจดจำในควางจดจำใปความจริงได้ปฏิบัติทางคิดภวนาอยู่ไ ด, ด้ในสมัยนี้ดีกว่าเป็นมหาจดจรของโลกเร็วโลกมัน <c oughs> มีจำนวนน้อยมากเวล า, า, าก็ตันมากจดจกจะอยู่ห้าพันปี การที่เกิด oh pues, 8ป nah ันป <for S 1> <Mu> ีกคนนี้ก็ไม่เที่ยวพุทธที่เป็นคนดีคนนี้ไปมันไม่เชื่ยงอ่ะที่เป็นยังวงยังเปนีีไปมนุษย์ก็เป็นเกิดเป็นพุทธมุดาหมันยังไม่ังไม่พุ่มันไม่มันไม่เที่ยงมันไม่พุ่งเร็ววัยแตเกิดการที่เกิดหลังจากสงพันนารอดไปมากๆเป็น สมันถปันปนีมันก็นออยิ่งใ่ไปเพราะเท่าที่เราเป็นอย่างนี้อย่างว่าคือ เ, าเราบุญที่ทําไว้แล้วมไปกระตุ้นปัญญาไปเกิดกำหนดใหเกิดเป็นมนุษย์มันเหลือกเกิดไม่ได้แต่ที่จะมาโตพูดมีจะต้องมีบุญที่ทาไว้มากระตุน้นผลไม่จะมีบุญเล็กน้อยที่จะทําไว้ ไนเด็กเกิดเป็นมนุษ <pound> ย์จนดีแล้ชั้นมนุษย์จนเปิดเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นคนเกิดเป็นคนเรเป็นคนผู้ประทับคนรู้เรืองเราเรียนศึกษาได้คืนอยู่กับการคบค้าสมาคมอธิบว่านจะพานางบันิตรนังจะเทวนาที่จะนวลไว้ในมังกรตุลเมือนอยางในสมัทผู้จัดการผู้ทูตสำเร็จทําแล้วนางเฉยอยู่ใต้ต้นไม้ ทางบ้านเดินผ่านมาแวะไปอินตนาคำส่งการสําเ็จแล้วเินพระสงไปแล้วไม่พูดมากเช่าไหรเนี่ยแล้กวก็พกพกโตๆ ก, กันมาก็เลยมาถึงตรงวันนี้อาจารย์พกอาจารย์อาจารย์อาจารย์โกันมาอย่างนี้ถ้าไปพบคนไม่ดีก็เกิดอะไรที่ผ่ายไปอยีงพวก รรรรทำไมพุทธการกลารเป็นโคปาเทวทัตก็แย่ไปเกืมือแบบนี้แหละถ้าบุพเพกัจจคุณิตาภูมที่ทำไว้ก่อนแล้วมันมากเป็นหรืเป็ น, ปนมนุษย์ทีเกิดมาเป็นมนุษย์เทโวโอตั้งแต่ในท้องแลยละเป็นผู้มีสติปัญญาอุป น, นิสัยมาตั้งแต่ในท้องแล้วไปเกิดมคโมทุมบุกคนเกิดการที่เวลาสมัย หมดทุกโครงกหมดเขาคงเคเหตุการเว้พมทุกอย่างดีบังไม่ดีอย่างดังวนีมั่งไม่ดี่แต่ถงสุดมันเออน่การปฏิบัติก็จะทาได้มีปัญญารู้จักกตระกูลตคาตั้ต่งตระวันดีไรมีพันตระดีังไง ท่านท่านย่มใจบางคนยังเคยนั่นเอาชีวิตก็แเลกในการสร้างบุญมารมีได้ยรืว่าเป็นมนุษย์ปฏิบัดีอย่างยือเชื่อแต่มันมีในโลกนี้ตัพุทธเจ้าว่าโลกไม่ว่างป่าจกพระอรหันต์เรต้องมีเจริญตรรษีเป็น ทางเดียวกันนะั้นเองแต่อืนอ่ะดว ง, ง, งเห็นดวงดูดงเห็นต่เ ก, กีเห็นลูกตะตกียลุ ก, ก, กดินญาณตะเกเกิดติดตะกีเกิดติดพุติตะมอสอติขโคตรอย่างลุงสูงมีปานมีปานังประมังสุ ข, ขันจบเลือก ไปแล้วนี่ว่าตัวสติท้งยาวไปที่ลีวกันคุณฝึกใหม่ๆใหม่ๆก็พอทำได้แล้วไปโย่ไปเป็นสติอย่างลงสูออกมาจะทำที่พระพุทธอง์ทรงก่าวว่าเห็นสติเห็นีิ판โยลงไปเลยสครามสติวิน จิตตติถึงมีปาญธรรมเป็นผัวนะทัศนในปัญญ์ปัญญามมีจิตจิ น, นิพันพธเก้ากันนิพันธ์จิจิตปริสุทธมีอะไติเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องทำ เป็นแสงอาทิตย์จักดวงอาทิตย์ไม่มีเมฆมาบังมันก็ต้องวาเป็นปกติตำหนอย่างลงทู่งมระมธรรมเป็นธรรมดาได้ยินธมระธรรมได้ยินธมระธรรมเห็นอมรมธรรมคิดเล็กน้อยมรรมธรรม นางน้อยก็จ ะ, จะทำกเกลียดใจธรรมาไม่นิยางรื่นนี่จะธรรมา อ, อย่างเดียวจริงพรดเรื่องกันไปถือว่าจเจริญสติได้ถึงขัน้นมีปัจจัยยานรงที่พรกจากแสดงไว้ปัจนาอนุปัฒนาที่หนึ่ง ไม่โตเป็นเลมเย็นเป็นเก็บเป็นเล่มเเขาแต่งให้ล้การโูรเจกต์แสดงแวะไดยผลเด็ดขาดด้วยลู้ ป, ปัฒนาลรมีปัฒนาที่หนึ่งศึกาพิจารณาเห็นความนึกเป็นตัวตนของตนอยู่อุปาทานคณนหยุดกายใจชีวิตทางการหรือรู ป, ปรู ป, ปัฒนาทีนทาการวิญนาณดับนี้นึกเป็นตัวเป็นตัวนี้ พิจนาเองว่ามันเป็นเรื่องโคหกอุปปัจจันทันธ์เป็นเรื่องโกหกบออภิธรรมเป็นว่าไงกาาันนะจุดส่วนการตกอวิชชาปัญยาตัาง้ง า, าันธตัง้ง า, าันปัญยาวิญญาณวิญญาณเต็มปัญญานามรูปบางบอกหมดทุกขันธแล้วนี่ถัดมืดบางเหม่งเม็ดมืดบางกิดแทงกระทิด มันก็ทําให้เกิดการโกรหกการหลงสันขันตัว่าหลงไม่ใช่หลงเป็นโลกจริงรกบจริงเป็นตัวตนจริงขึ้นมาเป็นวิญ ญ, ญาณ น, นามาลูกรูกแบบหลงทาให้ยืมคิดไปแบบงงอยู่ว่านามาลู ก, แบบลกเรื่องคิดนี้ต่อไปเรื่อยมันก็เกิดวิญญาณใหม่ขึ้นมาเรื่อย วิญญาณโงวิญญาณถ้ามันเกิด น, น้ำมลูกโง่น้ำมลูกถ้ามเกิดวิญญาณโง่นี่มันอุปาทานอาการวัสงสารตัวจริม่พูดถึงอาการขนอกเกิดเป็นกัดเป็นคน้นตัวเกี่ยวไปติดกันรงอาการของติตวิญญาณ น, นี่วัฏสงสารตัวจริงมันปนยังงตัวนั้ น, นมืเราเชื่อ พระอาภิธรรมโซนพุทเทวโยไม่มีผีโดถึงพระวุฒิยังไม่เห็นแ่งเชื่อพระอภิธรรมว่าเลยมาจิกาผลงานรบทุกงานเนี่ยมันบอกว่าอะว่าอะไรที่หนึ่งเป็นหลบเป็นพบเป็นเราเปนเขาเป็นตัวเป็นตนเีิเกิดต็มตังเลยนี่เป็นหนึทงหมด รไปเฉือยกัหลือเฉื่อยกันเท่านันหรือว่าวิชาเกิดดับวิชาดับ ข, ข, ขับ้นดับวิญญาณดับนามลูกดับขันหดับโลกพบตก ล, ก ล, กลกเป็นตัวเป็นตัวมันกนดับไปหมดนีวิจมแจ้ง ม, ม, มีปัตนายานที่หนึ่งันก็แจมแจ้งวิปัตนายานที่สองเป็นธรรมระ สัจธรรมกงกคำของเท็จหือของจริงธรระธรรมไม่มีเรื่องเิดเกิดใดเ ท, ดทนั้นจริงประกันเดียวเป็นสัจธรรมประกันเดียวเพราะความเห็นผิดเป็นตนเป็นของตนเราของเราที่จะเป็นประธานประโยคมันไม่มีมันสูงหายเปอากาศตะตัดไปแล้ว เงี้ยเกี่ยวอะไรเกิดไปตายแล้วเป็นไปไม่ได้จริงมันไม่มีทับแยกมันมมีเวิรมันไม่มีกรรมมัน่ีเจ้าหลี่มันไม่มีมิตานโลกมีตฐานโทงโตนนั่นก็ไม่มีมันกะมีเรื่องทุกอย่างได้ไงมันแก่งๆเอามาแต่ทำจนมันที่เป็นแต่แต่ทําประการเดียวจริงมีหนึ่งจริงมีสองจริงสาจริงไม่ได้หรอก อันแจมแจ้งอามาจะทำตอนนั้นจึงประกาศเรียวาเห็นในเรื่องมันจะทำหลบผมนะเกิดจิงตายจึงเล่าจะเกิดตายจึงมันก็ไม่มีแล้วสูญหายมันก็ต้องกับอภิอภิธรรมว่าอวิชาสถานนิโรธาสังการนิโรโทอวิชาติดับไปมีเสร็ทังการกันตรงแต่การหลบองคงเทศทั้งนั้มันดับไปหมดทัหมดแล้ว ทุกข er> ์เพราะหลงว่าแต่เกิดเพร้ะหลงคนดับไปหมดแล้วก็โวนบองไปหมดแล้วอ่ะจึงแจ่มีแจ้งว่าปฏิจจตมุกบาท์ดีแจ่มแจ้งความดับสูงหนายไปของความเห็นแบบเป็นตัวเป็นตนของตนในกาลน้าแจ่มแจ้งว่ามันเป็น เรเหนเป็นตัวเป็ น, นตนของตนในกายใจชีวิตนะ ม, มันเป็นเสียงชงนั้นนหะเป็นเสียงบริุทเหมือนเสียงลมเทีงพายุมันไม่มีของจริงตัวตนเลยมันมีไม่มได้เด็ดขาดยังว่าจะมีคนมาถามว่าเอานางวันทงไปฟังไว้ที่ไห น, นรู้เลยตอนนี้นี่งบา จะเอาเสียงไปฟังไปได้ไงคาว่านางวันตรงมันเป็นเสียงตรงนั้นตัวจริงมันไม่มีมีมีแบบเด็ดขาดเพราะเขาสังขารวงแต่งขึ้นมานี่เขาแต่งเรื่องอันเล่นขึ้นมาอันจะไปนั่นจะไปฟังไว้ได้ไงมิแจ่มแจ้งความสูญหายไปของคําเห็นเป็นตัวเป็นตนในขณะคัดแจ้งอย่างนั้นด้วยในจริงแจ่มแจ้งเอามาจะทํามันทํา เป็นทจริงประการเดียวไม่มีเรื่องเกิเรื่องตเรื่องเกิดเรื่กงายอะไรต่างเป็นจรงอย่างเดียวเป็นธรรมัดามีควาเร็จวิปัสนาญาณสงที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ตอนนี้พอแล้วจำแจ้งความทิทุกข์ทรจาจริงในปัจจุบันทันทีอริยสัจสาม นิโรธอนยิยตตะกันแจงความสิทุกข์แก่ทิงอุปาลดนกันหนักท่จริเกา่าไว้ในปฐมเทศนาว่าเพิงทางไม่เต็มแจงในปัจจุบันแทนที่มันแจงแจงอี้แล้วจึงเป็นพุทธปัญญาจึงจะแจงแจงอริยสัจติปานในดังงดมุโนโลตามิตคบรง มูลธรรมจากท่านแสดงไวในพระธมเทตนาอาลสัตจะทุกข์ที่หนึ่งพึงกำหนดรู้อุปาทานขณะเป็นทุกข์ไม่ชทุกข์อย่างชาวบ้านคิดเสียเงินเกตเแกเสียกปิพพานอุปาทานขณะท่านแสดงไวเป็นหัวใจทุกข์ทีเดียวพึงกาหนดรู้ ที่อดีตจะทุกข์นีจะรู้เลยธรรมมาธรรมโกฏิญาแสงสว่างพ้นโลกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านนั้นเท่านั้นโดยในอดีตปัจจุบันอนาคตมัเป็นรู้โดยหนังงานฝึกคิดเอามันเป็นไปไม่ได้หรือแม้จะลักษ้าถิ่นภาวนาจะยัไม่ถึงปิดโลกุตตรธรรมพ้นโลกเกิดก็ไม่ทางไม่มีทางรู้เหมือนกัน เป็นดุลิยะสัจจทุกเป็นทุก ท, ทุกภมความมเมตัวเป็นตเนตเป็นอริยส ท, ทุกพึงกาหนดรนูดรก้กํหนดรนู้แล้วแต่โทัยเหตของทุกคือตัณหาเรื่อวิชาตัณหาอุปาทานพึงละละได้แล้ว่นี่ กิตตก ข, ขโสอริยสัตย์สามเป็นธรรมดาเต็ม แ, แจ้งความทุกทุกเจิงอุปาทานกะเด็กขัดถิ น, าานเชิงเพราะทั้งเหตุตั้หาอุปาทานที่ธนวัฒนพึงทำให้เต็มแจ้งใจในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เต็ม แ, แจ้งแล้วเดี๋ยวนี้ ตึงใจแจ่แจงอริยสัตินี้ไปได้ทั้งหมดท่านีพอเจริญขนทางพ้นโลกอนิยมรรสติคุปตัจติสติประทานให้เกิดเป็นสัมฤทธิ์เล้วเป็นเลิ่ได้สัาเร็จ์ล้วเหลื่อมุลนโลดทำมาจากครโลดได้ทำมาจากถูกเห็นธรรมที่จำใจกันว่าเห็นธรรมถึงได้เกิดเป็นเป็นธรรมดานี่ก็ดูง่ายเกินไปสิแล้ว เราท่านใช้คำสมุทัยเป็นชื่อของอริยสัจที่สองคือเหตุของทุกข์คือตัณหาแปลถูกเป็นคนเป็นว่ายังกินจิตมุทิยธรรมะสัจการต่าง น, นิโรธธมติทําอันใดที่เป็นเหตุของทุกขุตัาทำแล้วนั้นเดี๋ยวนี้มันดับขึ้นจกันหมดแล้วมันจะเข้าเรื่องกันอันนี้เป็นโครงแตกต่างระห ว, ว่า ง, งพุทธกามเจ้าพุทธ อริยสัจที่สามความเตยมแจ้งในความทินทุกข์ที่ใก้จิงในปัจจุบันน่างเด็กกาดอุปาทานะนื่จมีเฉพาุในปัจจุบันมาทนันั้นเป็นประโยชน์อย่างย่อดียบเรื่องของเรื่ อ, องอมันอยากจะคิดจะพูดกันนี้แบบไหนจะว่าบุตรผ้เปแบบมนุษย์ต่อยพ้นเลยเลยเพิ่มมนุษย์เทวัพนพง มันเป็นเ่งทุกข์ท้งนั้นมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอุปาทานิกน่าทางนั้นนึกเป็นเราเป็นเขาไปไนะด้ไหมล่ะความแต่งกันระวังพุทก็ไม่ใช่พูทอยู่ตรงนี้แจ่มแจ้งความเสี่งทุกข์ที่จะถงในปัจจุบันทันทีดิบขัดหรือเปล่าแต่มันแจ่มแจ้งความเสี่ยทุกข์โดปัจจุบันทันทีนันก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ เพว่าจะพูดจะคิดอลไรมันไม่เต็มแจ้งควา ม, มในจิตใจมันไม่รู้จักเก็บเก็บแจ้งความสิ้นทุกที่แท้จริงในปัจจุบันทการเกิดเด็ดขาดนันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรื่องสำคัญไม่่ที่ทุกเก็บแจ้งความสิ้นทุกเด็ดขาดมันจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันเดียวฉทนั้นแหละ พทคีวาพันนิพันเป็นกัจจายิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเตียมถ้าเราเจริญสติถึงขนดนี้ได้พอคน้ได้มีปัญาญาทรงหรออิยัจติสมเต็มแงอิยัจตินิพันธ์หมุนลวดธรรมจักรเาปุกแต่จักรก็พอแล้วใน ในการแสดงประตูมเตืนาทันทีฟังแล้วตัดธนูทำตามคำสอนพระพิจิตรหมุนโดนผลเป็จากได้ครบค้วนได้ทำเต็มทุนมีองค์เดียวพระอัญเชิญัญอะแต่ปิ่นจึงได้เตือนาคงเกิดพื้นเป็นที่พื้นของตะวันตกได้เป็นกลางแหลกในยุคปัจจุบันอีกต่อไปจนมานถึงวันนี้เราได้พบได้เห็นได้สึงเาตในกิจกรรมในพระพุทธธรรมประ ผู้พานุดปฏิบัติปัตตาห์ตามถึงภาวนาสติหาทางพ้นออกจากของผู้แก่ที่เรียกว่าเป็นบุญมหาติจันทร์แล้วคนใจไวัยจิตเป็นบุญทำทั้งหลายแบบเป็นบุญจิตตัตาเป็นบุญก็เรียกว่า ตาหูจมูกใจใจมันเป็นบุญั้นั้นน่ะแลเห็นพระพุทธโูกเกิดกัตาเลือ่อมใจปิติเป็นบุญแล้วเงินิตเป็นบุญทำทั้งใดก็เป็นบุญกิดเป็นบาปทำทั้งหลายก็เป็นบาปกิดบริสุทธิ์ทำทั้งหลายกับบริสุทธิ์ไม่เห็นพระพุทธองค์มือกิดก็วางค ม, มมืดในวันวิสาขบูชาแล้ว ทันใดนั้นผูะเตียนก็เป็นผู้เตียนตัวผู้เตัจากตัผู้ต็ตกายผูเกายมโนผูตมโนติดผูเต็มติดตัวผูโทมดทั้งแก่จะเป็นผู้ทจะผู้ต็กลางอกนันเองาหูจมูกนี่กายใจก็เป็นผู้โตไปหมดแล้วในเกิกิเลสในมีกิเลส แต่ยินปามคิดเล็กน้อกะทบูกทางตาหูจมูกไปแกล้งกับไปพุ่โตไปหมดไม่มีกิเลสติดจังหําทาทังหลายก็ตังติดบริบททธทั้งหลายกับบริุทเป็นของธรรมา เรายังไม่ถึงขนาดติดบริสุดเป็นธรรมบริสุดเอาเองติดเป็นบุญทําเป็นบุญก็แล้วติดอยู่ในตถาภูตโตธมโทั้งโกมีพานาตุมาสุการติดเปิดปิติถูกก้มรวบรวมไว้ใจโกก็แล้วให้ได้แล้วติดเป็นบุญทําเป็นบุญ เป็นบาปทำเป็นบาปเป็นของกรรมดางิตต in in ั้วางทำต้าไรตั้งวงมืดชั้นตั้งไรมืดเป็นไงจนั่นเองโยโย่ต้องไปคิดกันมากใรุบโยอย่คอยจำเป็นอยู่ที่จิตเป็นตัวกลางสำคัญ มึกงกติณฑ์อาทิตย์กันจิตถึงก ต, ติมีปัญหาถึงก ต, ติทำพ้นโลกพ้นเหมิดพิพันธ์ไจิต ย, ยังไม่ถึงพุทธิเป็นจิตผูุ้ชนตั้งแต่ยวดพุ่มมโลกหงกละลุกยังเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนตไปไหนไม่รู้เรียนไหวใจเคยดื้ อ, อละดื่อมันกับเท่านั้นเอง วีเลเหลอกพระทรายลอกจิตทั้งหมดทุนุกจกก้นตรงเหลือเพียงติตติเทานั้ิตตะติมีปานจิตไม่ถึงตติเป็นจิตแบบหลอกทุกติตนมะ่ถึงตติเป็นอภิชาปัญาทางกาลาังกาลปัญญานางวิญญาณนางปัญานางรูปังถึงติเป็น อวิชาเศษสานนิโรธาตังขรนนิโรโถวิญญาณนิโรโถเรียนวหาใจเกิดดับหมดนั่ตรงตามปฏิกิรทั้หมดประมาณอารที่คำว่าที่ทุกทุกข์กันจบด้วยแค่น้ว่ามีปัฒนาที่หนึ่งคือต้องเจริญโพะแหละท่านทำได้ อย่้ยามาแต่ทำแต่นั้นจริงเป็นการเดียวมี่มึงจะเรีนไปตื่นถึงขนาดนั้นแล้วเลปยตายในวจะแก่ปวยตายนมป่วยตียโยมาเรียมอะไรเอางูสามารถประกาศออกไปดังๆในวันไม่ตรงไม่เอาไว้นี่นี่นะนี่เอามตะทำผมแจ้ ก็เลยพูดกันนะจะเปคูดรายการมัดจะทำอะไรเจะไปเงยหน้าคนทนากันคว่างคว้าการรงดาวเอาว่าอากาศจะเปคุยกันได้ไงจคูกับพันธพได้ไงเรมีความรู้ในทางพุทธวิปัสสนาโลกหัวอนุโมทนาธละมีฝ่ายนั่นก็มีเมตตาอุเบกขาตรงนั้นหมดเลือ นั้นสำคัญที่อิปัตนาอันหนึ่งอุปธนาคั้หน้ามันตรงดับพิจรารณาดิ่ตามกรรมโนงว่าเป็นคองเทิดเลือเชื่อมันจริงจะดับไปได้จริงจะเจีมแจงอปัตนายาที่ตรง อ, าาอำนาจธรรมตอนั้นจริงประกันเดียวใช่ได้มเดมเลือดทุกคนไป นี่ปานั้นประมาณกงตรนั้นประการเรื่องวนทีจมแจ้งคโยกคำถอนที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวทุกตงนั้นเกิดขึ้นทุกตรงนั้นดับไปก็เท้าว่าอาวิชาตนั้นเกิดขึ้นอาวิชาตนั้นดับไปที่ไม่มีเรื่องยอะล ไอยังไงที่ก่นไม่เกิดพุทธะติเลยเดี๋ยวนี้เกิดพุทธะติได้แล้วหายงูหายลงไปแล้วหายทุ้งไปแล้วติดบริสุทธิ์ก็พนไปมีปฏิบัติการที่ลปูมันเป็นบันทึกไว้รู้จริงจรงั้งขัน ไปเกดดับปยินความคิดได้รู้ไม่เหลียวไม่เลวไม่เลวไม่เหลยวไม่เกียวไม่คงการวิจัเป็นใหญ่ไม่ไม่เป็นสัญญาสัญญาอัีปัจจุบันในคนเกไปเกเกคงไปทั้งหมดารมิจัเป็นงื่อนง่าเป็นสัญญาูพงตนกินไม่คิดอ้านัว่าิดกิดตั้งคานิดเกดับเหลียวไม่แลวไม่ลวไม่เหลยว ไม่แรงไม่เหลียวไม่เกี่ยวไม่คงไม่มงไม่โมยจิตเป็นอิตะระลุลุกไปที่อย่างนี้ยังหลงปูเขาเมือเิเเงินวัดแวัดตุ๊กาลำตรงตุกตาผ่านหน้ร้อยามีอาจารย์แล้วๆองค์ขึ้นไปเที่ยวหลวงูเขาขึ้นไปธรรมะเพียงว่าอะไรไม่ใช่ของเราอยาไปเอามาเท่านั้นก็ลงไปเลยเอาทได้ตาเพีงว่า มันก็เป็นภาวนาสติเหมือนกันอะไรไม่ใช่ของเราเยี๋ยวไปออกมากไม่ไปภาวนามาตัา้งแติดมันเป็นอิตละหรือพ้อนไปที่พ้นไปะละขันอาไปแล้วลอีกติดแค่หลีกจากติดแค่มันรอย่างี้กัน เป็นวิั้างขันเป็นจอปาริปันจิตวิั้างขันจิตวิปันอันใดเลยไม่ใช่กงเราอไปเอามาไม่ไปเอาอะไรมาุกอง่างจิตมันเป็นอิตรละนลุพ้นไปที่มีตั้จิตไม่มีทั ง, ทงขัน ด้วข้อหนึ่งสติครอบจักรวาลที่พระพุทธองค์แสดงไว้ใช้ไลไม่มีข้ยุกเว้นทุกสถานที่เวลาสมัยทุกเร่ทุกราวโกรการปาดใจก็ตามทำทั้งหลายไม่เพิ่มติมมันไม่มีข้อยเว้นข้ไหนเลยทั้งหมทั้งหลายทั้งหมดนี้เกิดดับไม่เกิดไม่ดับก็ตามเถิ ไม่พึงถือมันแม้แต่พระภิกษุรูก็ไม่พึงถือมันทำทั้งหลไม่พึงถมันทำได้จิตพ้นถือมันตัณหาพวกหนูปาทานตัณหาก็เป็นจิตอิตฉะหรือพ้นทุกข์ไปที่นเรื่องมันจะตานทําไม่นได้แล้วเป็นที่ปลอดภัยไม่เจ็บเจะตาย เกิดเหตุไรเจอเรืร่องตุกติกทำทั้งหลายไม่พึงถือมันวางถือมันได้จิตเป็นทุระหลุดพ้นไปที่จิตพนต้นปัญหาอุปาทานเป็นจิตพ้นทุกข์พน้นหลงพ้นพ้นไปแล้วจิตมีภัระในตัวเรามากติ ต่างในทติในพุมั้งโคล่ะฏานุทติธรรมานกุตั้งการุติทิพุทธทติธรรมโธทิพตังโคล่ะทิติพติรั้งโคล่ะทิปานังปรมังทุกขังได้เอาละมีปีติทุกข์็ไเอาใจอยู่กับปีติทุกข์ได้ละแต่ก็ไม่ไปยืดแต่ถูกคนู้ปีติทุกข์กัน ตัดแต่ลุปเป็นตัติปัะจำดูตัแต่ลูกไม่ไดปปป้ประหยไปถึอไม่มีตังหายคามทานจิตบริสุธิพมไปจิตุทธิอย่างนุน่งซุ่มทำบริสุทธิ์จิบริสุทธิอย่างนุน่งซุธมทริสุทธิ์เรววันนี้ผ่านงประมาทตั ง, งโอคและ้ะ ติปมิปานุติปมิปันุจิติปมิปานุปันะก็ุเด็กรูสติปมิปะนีปานังปรมกุคะสังเปนะอยู่านาในสติในปานินในมีพิโตชอบอะไรอย่างนี้ตรู้มันในหยุดเลยตัวรู้นี่มันดีมีดีกลมอกลมใจทุกองกลใจทุ่ไม่ได้สาตตาย เราเจริญวิญญาณสติของแกกันได้เป็นจิตสติเป็นจิตผู้โตจิตจำโมจิตตั้งโกจิตนิพพานระวังทกังบนผลไปเลยกำไมต้องกรู้รู้สตินิพพานรู้สิพพานกัมมินตินิพพานเยอะแีปจิตโตเกิดไปเมื่อโนได้แล้วโปนาไม่ได้ไม่มีดอก ตัวรู้มันรู้กันรู้ ว, วิญญาณมันเกิดอยู่เรื่อยๆไม่หยุดหยุดนะ้ะเปลี่ยนวิญญาณธรรมดาเป็นวิญญาณตติมันเก็ดพ้นโลกไปเรื่องพ้นทุกข์ไปเลย จะติดมีพัจะติดพอมีพ i นเลจะก็ทมอรทด้เอาเวลาจะเลือกของวันนั้นุทิพนบนใจ ยัถาวริวาาปุระปริปุริติตาคะนั้นอวาเมวาอิโตตินังเติตาณมุปกะปะเตยิจิตังปฏิกังตุยังคิบเมวาตันิจเตโวสักีปุริอุตตาคปะจันดูปณะตุยัตามนิจโตตินะโตยัตตาสภีติโยวัจจันตุทัโลโคมิณัต มาติโรอัตวันตระโยทุกีกีกายุโกวาอาภิวาทนาสีลกตานิจังอุทาปจายินโอจัตตโรธรรมาวัตติอายุวนโนสุขังบา